ฟังทำคำพุท ธ, ธะภิษุท์ทั้งหลายกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบเหตุเกิดแห่งกรรมก็เป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบความมีประมาณต่างๆแห่งกรมกงคค ร, งกรมก็เป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบผลแห่งกรรมก็เป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบ ความดับไม่เหลือแห่งกรรมก็เป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบและทางดาเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมก็เป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบพิสุตหลายเรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรมเพราะว่าบุคคลเจตนาแล้วย่อมกระทําซึ่งกรรมด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจพิสุตตลาเหตุเป็นแดนเกิดพร้อมแห่งกรรม คืออะไรเล่าเหตุเป็นแดนเกิดพรามแห่งกรรมนั้นก็คือผัสสะพิสุทายความเป็นประมาณต่างๆแห่งกรรมเป็นอย่างไรเล่าคือกรรมที่ทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในรกก็มีอยู่กรรมที่ทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในกำเนิดเดรัจฉานกรรมที่ทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในเปรเษวิสัย ในโลกมนุษย์ในเทวโลกเหล่านี้มีอยู่พิสุทธิ์หลายนี้แหละเรียกว่าประมาณต่างๆแห่งกรรมทั้งหลายก็วิบาก ค, คือผลแห่งการกระทำของกรรมเป็นอย่างไรเล่าพิสุทธิ์ายเรากล่าววิบาก ค, คือผลแห่งกรรมทั้งหลายว่ามีอยู่3ามอย่างคือผลที่ให้ในปัจจุบันทันควันคือทิฏฐธรรม และผลที่ให้ในเวลาต่อมาคืออุปาป ช, ชะและผลที่ให้ในเวลาต่อมาต่อมาอีกคืออภระระป ร, ริยายะนี่แหละเรียกว่าวิบากแห่งกรรมทั้งหลายก็ความดับไม่เหลือแห่งกรรมเป็นอย่างไรเล่าความดับแห่งกรรมทั้งหลายย่อมมีเพราะความดับแห่งผัจจะ ก็ก็ปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมเป็นอย่างไรเล่านั่นคืออริยมรรคมีองค์8ดนี้นั่นเองคือข้อปฏิบัติกใก้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมทั้งหลายก้อ น, นี้ได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสมาสติและสมาสมาธิ พิสุจตั้งหลายเหตุทั้งหลาย3ประการเหล่านี้มีอยู่เพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลาย3ประการคือความโลภเป็นเหตุเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลายความคิดประทุษร้ายคือโทสะเป็นเหตุเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลายโมหะคือความหลงเป็นเหตุเพื่อเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลาย เปรียเหมือนเมล็ดพืชทั้งหลายที่ไม่แตกหักไม่เน่าที่ไม่ถูกทำลายด้วยลมและแดดเหลือเอาแต่เม็ดที่ดีเก็บงำไว้ดีอันบุคคลหวานไปแล้วในพื้นที่ที่มีการกระทําอันกระทําดีแล้วในเนื้อหนาที่ดีอันหนึ่งฝนก็ตกตามฤดู ก, กาลเมล็ดพืชเหล่านั้น จะพึงถึงความเจริญงอกงามไปบูุ์โดยแน่แท้ข้อนี้ฉันใดข้อฉะ น, นั้นเหมือนกันคือกรรมอันบุคคลกระทำแล้วด้วยความโลภก็จากโลภะคือความโลภเป็นเหตุมีความโลภเป็นเครื่องก่อให้เกิดอันใดกรรมอันนั้นย่อมให้ผลในขันทั้งหลายอันเป็นที่บังเกิดแก่อัตภาพของบุคคลนั้นกรรมนั้นให้ผลในอัตภาพใด เขาย่อมสวยวิบากแห่งกรรมนั้นในอัตภาพนั้นเองไม่ว่าจะเป็นอย่างที่เป็นไปในทันควันคือทิตตธรรมหรือว่าเป็นอย่างที่เป็นไปในเวลาต่อมาคืออุป ป, ปัชชะหรือว่าเป็นไปอย่างในเวลาต่อม า, ต, อมาต่อมาอีกคืออัปประระปริยายะก็ตามการมันบุคคลกระทําแล้วด้วยโทสะหรือโมหะก็จากโทสะหรือโมหะ มีโทสะเป็นเหตุเป็นเครื่องก่อให้เกิดหรือมีโมหะเป็นเหตุเป็นเครื่องก่อให้เกิดอะไดก็ตามกรรมอันนั้นย่อมให้ผลในขันธทั้งหลายอันเป็นที่บังเกิดแก่อัตภาพของบุคคลนั้นกรรมนั้นให้ผลในอัตภาพใดเขาย่อมสบ ว, วิบากแห่งกรรมนั้นในอัตภาพนั้นเองไม่ว่าจะเป็นไปอย่างในปัจจุบัน คือทันควนหรือติ่ตธรรมหรือว่าเป็นไปอย่างในเวลาต่อมาหรือว่าเป็นไปในเวลาต่อมาต่อมาอีกก็ตามพิสุทธิทั้งหลายเหตุทั้งหลายสามประการเหล่านี้แหละเป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลายพิสุทธ์ทั้งหลายเหตุสามประการต่อไปนี้เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นปรามูลแห่งกรรม การประการคือความพอใจเกิดเพราะปรารภทำทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งความรักใคร้พอใจที่เป็นอดีตหนึ่งความพอใจเกิดเพราะปรารภทมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งความรักใกล่พอใจที่เป็นไปในอนาคตหนึ่งและที่เป็นปัจจุบันอีกหนึ่งความพอใจเกิดเพราะปรารภทำทั้งหลายอันเป็นฐาน แห่งความรักใคร้พอใจที่บันดาลดิษนั้นเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลตรึกตองไปถึงธรรมอันเป็นฐานแห่งความรักใคร่พอใจที่ล่วงไปแล้วเมื่อตรึกตามตรองตามไปความพอใจก็เกิดขึ้นผู้เกิดความพอใจแล้วก็ชื่อว่าถูกธรรมเหล่านั้นผูกไปแล้ว เรากล่าวความติดใจนั้นว่าเป็นเครื่องผูกคือสังโยชน์นี่แหละคือความพอใจเกิดขึ้นเพราะปรารภทำทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งความรักใคร่พอใจที่เป็นอริตเพราะความพอใจเกิดเพราะปรารภทำทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งความรักใคร่พอใจที่เป็นอนาคตเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลตรึกตรองไปถึงธรรม อันเป็นฐานแห่งความรักใคร่พอใจที่ยังมาไม่ถึงเมื่อตรึกตามตรองตามไปความพอใจก็เกิดขึ้นผู้เกิดความพอใจแล้วก็ชื่อว่าถูกธรรมะเหล่านั้นปลูกไ ว, ว้แล้วเรากล่าวความติดใจนั้นว่าเป็นเรื่องปลูกคือสังโยชน์ความพอใจเกิดเพราะบรารธรรมอันเป็นฐานแห่งฉันทารากะที่เป็นตนาคตเป็นอย่างนี้แหละ ความพอใจเกิดขึ้นเพราะปราลบธรรมทั้งหลายอั้นเป็นฐานแห่งฉันทะราคะที่เป็นไปในปัจจุบันเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลตรึกตรองถึงธรรมที่เป็นฐานแห่งความพอใจที่เกิดขึ้นจพบน่าเมื่อตรึกตามตรองตามไปความพอใจก็เกิดขึ้นผู้เกิดความพอใจขึ้นแล้วก็ชื่อว่าถูกธรรมเหล่านั้น ผูกไับแล้วเรากล่าวความติดใจนั้นว่าเป็นเครื่องผูกคือสังโยชน์ความพอใจเกิดเพราะปรารภตามทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันดราคะที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างนี้ละ่ะวิสุทธ์ทั้งหลายเหตุสมประการต่อไปนี้เป็นใบเพื่อความเกิดขึ้นปร้อมมูลแห่งกันทั้งหลายคือความพอใจไม่เกิด เพราะปรารภธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันทะราคะที่เป็นอดีตที่เป็นอนาคตและเป็นปัจจุบันก็ความพอใจไม่เกิดเพราะปรารภธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันทะราคะที่เป็นอดีตนั้นเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลรู้ชัดซึ่งวิบากคือผลอันยืดยาวของธรรมอันเป็นฐานแห่งฉันทะราคะ ที่ล่วงไปแล้วครั้นรู้ชัดซึ่งวิบากอันยืดยาวแล้วกลับใจเสียจากเรื่องนั้นครันกลับใจได้แล้วคลายใจออกก็ เ, เห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาความพอใจไม่เกิดเพราะปรารภทำทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันทะราคะที่เป็นอดีตเป็นอย่างนี้แหละก็ความพอใจไม่เกิด เพราะปรารบธรรมทั้งหลายที่เป็นฐานแห่งชนทาระคะที่เป็นไปในอนาคตและเป็นปัจจุบันเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลรู้ชัดซึ่งวิบากกรรมอันยืดยาวของธรรมอันเป็นฐานที่ตั้งแห่งความรักใครพอใจที่ยังมาไม่ถึงหรือที่เกิดขึ้นชะหนาครั้นรู้ชัดอย่างนั้นแล้วกลบใจเสียจากเรื่องนั้น กลับใจได้แล้วคลายใจออกแล้วก็ เ, เห็นแจ้งแต่ตลอดด้วยปัญญาความพอใจไม่เกิดเพ ร, ราะรบรมทำทั้งหลายอันเป็นฐานที่ตั้งแห่งความรักใคร่พอใจที่เป็นไปในอนาคตและปัจจุบันเป็นอย่างนี้ละ่ะพิสูจน์ทั้งหลายอาจินไต่สี่อย่างนี้ไม่ควรคิดผู้ที่คิด ก็จะพึงมีส่วนแห่งความเป็นบ้าได้รับความลําบากเสียเปล่าอาจินไต่สอย่างเป็นอย่างไรเล่าคือ 1. พุทธวิสัยแห่งพระพุทธชาติทั้งหลายเป็นอจินไต่ไม่ควรคิดผู้ที่คิดก็จะพึงมีส่วนแห่งความเป็นบ้าได้รับความลําบากเปล่า 2. วิสัยแห่งผู้ได้ฌานคือฌานวิสัย เป็นอจินไตยไม่ควรคิดผู้ที่คิดก็จะพึงมีส่วนแห่งความเป็นบ้าได้รับความลำบากเปล่ากอณีสามผลแห่งกรรมคือวิบากของกรรมเป็นอจินไตยไม่ควรคิดผู้ที่คิดก็จะพึงมีส่วนแห่งความเป็นบ้าได้รับความลำบากเสียเปล่าความคิดในเรื่องโลกคือโลกะจินดา เป็นอาจินไตไม่ควรคิดผู้ที่คิดก็จะมีส่วนแห่งความเป็นบ้าได้รับความลําบากเสียเปล่านี่แหละอาจินไตสีอย่างเป็นสิ่งที่ไม่ควรคิดผู้ที่คิดก็จะบึงมีส่วนแห่งความเป็นบ้าได้รับความลําบากเสียเปล่ามีอยู่กล่าวหนึ่งเราอยู่ที่ภูเขาคิชกูดใกล้นครนนราชเกลืในครั้งนั้น พวกนิกรนเป็นอันมากพระพุทธวัดยืนอย่างเดียวงดการนั่งอยู่หาที่กาลสิลาข้างบุเขาอีสิคิลิตามประกอบความเพียรอย่างแรงกล้าสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าแข็งเจ็บชาเป็นร้อนก็ในครั้งนั้นเป็นเวลาเย็นเราออกจากที่หลีกเร้นแล้วไปสู่กาลสิลาข้างบุเขาอีสิคิิ ท่นพวกนิกรณประพฤติวัดอยู่ได้กล่าวกับพวกนิกรณเหล่านั้นว่าท่านผู้เป็นนิกรณทั้งหลายเพราะอะไรหนอพวกท่านทั้งหลายจึงประพฤติยืนไม่นั่งประกอบความเพียรได้รับเบตทนาอันเป็นทุกข์กล้าแข็งเจ็บสาบเป็นร้อนนี้เล่าท่านผู้มีอายุท่านนิกรณน้าตาบุตรเป็นผู้รู้สิ่งทั้งปวง เห็นสิ่งทั้งปวงได้เยืนยาญญาณทธศนะของตนเองกล่าวอย่างนี้ว่าบาปกรรมในการก่อนที่ได้ทำไว้มีอยู่แลพวกท่านจงทำลายกรรมนั้นให้สิ้นไปด้วยทุกรกิริยาอันเจ็บแสบเผ็ดร้อนนี้หนึ่งเพราะการสารวมกายวาจาใจในบัดนี้ย่อมชื่อว่าไม่กระทำกรรมอันเป็นบาปอีกต่อไป เพราะการเผาผลาญคำเก่าไม่มีเหลือเพราะการไม่ทํากำคมใหม่ก ร, รมต่อไปก็ขาดสายเพราะกรคำขาดสายก็สิ้นก ร, รมเพราะสิ้นกรรมก็สิ้นทุกเพราะสิ้นทุกก็สิ้นเวทนาเพราะสิ้นเวทนาทุกทั้งหมดก็เหินแห้งไปหนังนี้คําสอนของท่านนาตบุตรนั้นเป็นที่ชอบใจและควรแกเราและพวกเราก็เป็น ผู้พอใจต่อคําสอนของท่านด้วยดังนี้เราได้กล่าวกับนิกฤตเหล่านั้นสื่บไปว่าท่านผู้เป็นนิกฤตทั้งหลายท่านทั้งหลายรู้อยู่หรือว่าพวกท่านได้มีมาแล้วอยู่ในการกร่อนพวกเราไม่ทราบเลยท่านท่านผู้เป็นนิกฤทั้งหลายแล้วท่านรู้อยู่หรือว่าพวกท่านทั้งหลายได้ทํากรรมที่เป็นบาปแล้ว ในการก่อนหรือว่าไม่ได้ทําข้อนี้พวกเราก็ไม่ทราบเลยท่านท่านผู้เป็นนิกฤทั้งหลายท่านทั้งหลายรู้อยู่หรือว่าท่านได้ทำกรรมที่เป็นบาปอย่างนี้อย่างนี้ในการก่อนข้อนี้ก็ไม่ทราบเลยท่านท่านผู้เป็นนิกฤทั้งหลายท่านทั้งหลายรู้อยู่หรือว่าตั้งแต่ที่ทําความเพียร น, นี้มาทุกมีจํานวนเท่านี้เท่านี้ ได้สิ้นไปแล้วและจำนวนเท่านี้เท่านี้จะสิ้นไปอีกหรือว่าถ้าทุกสิ้นไปเท่านี้ทุกจะไม่มีเหลือข้อนี้ก็ไม่ทราบเลยท่านท่านผู้เป็นนิกรทั้งหลายท่านทั้งหลายรู้อยู่หรือว่าอะไรเป็นการละเสียซึ่งสิ่งอันเป็นกุศลและทำสิ่งที่เป็นกุศลให้เกิดขึ้นในพวกปัจจุบันข้อนี้ก็ไม่ทราบเลยท่าน ก่านผูเป็นนิกฤตทั้งหลายดังได้ฟังแล้วว่าพวกท่านนั้นไม่รู้อยู่ว่าเราทั้งหลายได้มีแล้วในการก่อนหรือไม่ได้มีไม่รู้อยู่ว่าได้ทำกรรมที่เป็นบาปแล้วหรือไม่ได้ทำไม่รู้อยู่ว่าได้ทำบาปกรรมอย่างนี้อย่างนี้ไม่รู้อยู่ว่ า, ท, รร า, า, วาที่ได้ทำมาแล้วทุกจำนวนเท่านี้เท่านี้สิ้นไปยังเหลืออยู่จำนวนเท่านี้เท่านี้ หรือว่าทุกที่สิ้นไปอีกจมนวนเท่านี้ทุกจึงจะไม่มีเหลือแต่ท่านก็ไม่รู้อยู่ว่าอะไรเป็นการละเสียซึ่งสิ่งเป็นอกุศลและเป็นสิ่งทำกุศลให้เกิดขึ้นก็ไม่รู้อยู่อย่างนี้แล้วน่าจะเห็นว่าชนทั้งหลายเราใดในโลกที่เป็นพวกปรานมีฝ่ามือคร่ำไปด้วยโลหิตมีการงานอย่างกักกะ ภายหลังมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วย่อมบรรพชาในพวกนิคนทั้งหลายกระมังท่านผู้เป็นนิคนทั้งหลายพวกท่านจะสําคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรสมัยใดที่พวกท่านมีความเพียนความพยายามอย่างแรงกล้าสมัยนั้นท่านก็ย่อมได้เวทนาอันเป็นทุกข์กล้าแข็งเจ็บสาเป็นร้อนเพราะการทําความเปลี่ยนนั้นแต่ถ้าสมัยใดพวกท่านไม่ได้ทําความเปลี่ยนความพยายาม อย่างแรงกล้าสมัยนั้นพวกท่านก็ไม่ได้สวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าแข็งเจ็บแสเป็นร้อนอย่างนั้นไม่ใช่หรือถูแล้ท่านพระโกดมสมัยใดที่พวกข้าพเจ้าทําความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าก็ย่อมได้เวทนาอันเป็นทุกข์กล้าแข็งเจ็บแสเป็นร้อนถ้าสมัยไหนไม่ได้ทําความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าก็ยอ่อมไม่ได้สวยเวทนาอันเป็นทุกข์ ลาแข็งเจ็บแสเป็นร้อนท่านผู้เป็นีิกรทั้งหลายเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ไม่เป็นการสมควรแก่ท่านทั้งหลายที่จะกล่าวว่าบุคคลเหล่านี้ย่อมสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามทั้งหมดนั้นเป็นเพราะเหตุแห่งกรรมที่ตนทำไว้ในการก่อนเพราะว่าหมดกรรมเก่าด้วยตะบะเพราะว่า การไม่ทำกรรมใหม่แระแสแห่งกรรมต่อไปก็ไม่มีเพราะกระแสแห่งกรรมต่อไปไม่มีก็สิ้นทุกข์เพราะสิ้นทุกข์ก็สิ้นเวทนาเพราะสิ้นเวทนาทุกทั้งปวงก็สูญสิ้นไปดังนี้ท่านผู้เป็นนิกรทั้งหลายถ้าสมัยใดพวกท่านมีความเพียนความพยายามอย่างไรกล้าตั้งอยู่ก็จะมีเวทนาอันเป็นทุกข์ที่เกิดจากความเปลี่ยนนั้น แต่เมื่อใดท่านไม่มีความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าทุกขเวทนาก็พึงหยุดไปเมื่อเป็นเช่นนี้พวกนิกรนผู้มีอายุก็ควรกล่าวว่าบุคคลเหล่านี้ย่อมสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามทั้งหมดนั้นเป็นเพราะเหตุแห่งกรรมที่ตนทำไวในการก่อนความเชื่อผิดไปเพราะอาวิชชา คือความไม่รู้เพราะความหลงว่าบุคคลเหล่านี้ย่อมสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสุขกดีเป็นทุกข์ดีไม่ใช่ทุกขไม่ใช่สุขก็ตามข้อนั้นทั้งหมดเป็นเพราะเหตุแห่งกรรมเก่าที่ตนทำไว้ในการก่อนปีสุตนายเรามีถ้อยคำและความเห็นแม้อย่างนี้แหละจึงไม่เล็งเห็นการโต้อตอบถ้อยคำและความเห็นอันชอบด้วยอะไรอะไร จากพวกนิกรนทั้งหลายเราได้กล่าวกับนิกรนทั้งหลายต่อไปอีกว่าท่านผู้เป็นนิกรนทั้งหลายพวกท่านจะสําคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรพวกท่านจะบึงปรารถนาได้อย่างนี้หรือว่าคำใดที่ให้ผลในปัจจุบันขอคำนั้นจงให้ผลในอนาคตด้วยความเพียรหรือความพยายามเถิดข้อนั้นหาไม่ได้เลยท่านผู้เป็นนิกรนทั้งหลาย หรือพวกท่านจะบึงปรารถนาได้อย่างนี้หรือว่ากรรมใดเป็นของให้ผลในอนาคตขอกรรมนั้นจงเป็นของให้ผลในปัจจุบันด้วยความพยายามหรือความเพียรเถิดข้อนั้นก็ไม่ได้เลยท่านพระคดมท่านผู้เป็นทุกคนทั้งหลายพวกท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่ายอย่างไรพวกท่านจะบึงปรารถนาได้อย่างนี้หรืขอว่ากรรมใดให้ผลเป็นสุขขอกรรมนั้นจงเป็นของให้ผลเป็นทุกข์ ด้วยความพยายามหรือความเพี่ยนเดิร์หรือกรคำใดให้ผลเป็นทุกข์ขอกำนั้นจงให้ผลเป็นสุขด้วยความเพีย่ยนหรือความพยายามนี้เถิดข้อนั้นไม่ได้เลยท่านพระโกดมท่านผู้เป็นนิกรนทั้งหลายพวกท่านจะสําคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรพวกท่านจะบึงปรารถนาได้อย่างนี้หรือว่าคำใดเป็นของให้ผลเสร็จสิ้นแล้วขอกรรมนั้นอย่าปึงให้ผลเสร็จสิน้น กำใดยังให้ผลไม่เสร็จสิ้นขอกำนั้นจงเป็นของให้ผลเสร็จสิ้นด้วยความเพี่ยนพยายามนีิเตดข้อนี้หาไม่ได้เลยท่านประกดมท่านปริปินคนทั้งหลายพวกท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรพวกท่านจะบึงปรารถนาได้อย่างนี้หรือว่ากำใดเป็นของให้ผลมากขอกำนั้นจงเป็นของให้ผลน้อยกำใดเป็นของให้ผลน้อย ขอคำนั้นจงเป็นของให้ผลมากด้วยความเปลี่ยนหรือความพยายามนี้เถิดข้อนี้ไม่เป็นอย่างนั้นเลยทา่านพระคุดมท่านผู้เป็นนิกฤตทั้งหลายผู้ท่านจะบึงปรารถนาได้ดังนี้หรือว่าคำใดเป็นของให้ผลขอคำนั้นจงเป็นของอยาให้ผลคำใดเป็นของไม่ให้ผลขอคำนั้นจงเป็นของให้ผลด้วยความพ ย, า, มย า, มายามหรือความเปลี่ยนนี้เถิด เพราะนั้นหาไม่ได้เลยท่านพระคดมท่านผู้เป็นนิกฤตทั้งหลายเท่าที่พูดกันมา น, นี้เป็นอันว่าพวกท่านจะบึงปรารถนาไม่ได้ดังนี้ว่ากราไใดเป็นของให้ผลในปัจจุบันข้อกรรมนั้นจงเป็นของให้ผลในอนาคตหรือกรรมใดเป็นของให้ผลในอนาคตขอกํานั้นจงเป็นของให้ผลในปัจจุบันหรือว่ากรรมใดเป็นของให้ผลเป็นสุขขอกํานั้นจงเป็นของให้ผลเป็นทุกข์ หรือกรรมใดเป็นของให้ผลเป็นทุกข์ขอกรรมนั้นจงเป็นของให้ผลเป็นสุขหรือว่ากรรมใดเป็นของให้ผลเสร็จสิ้นแล้วขอกรรมนั้นเป็นของให้ผลไม่เสร็จสิ้นหรือกรรมใดเป็นของให้ผลยังไม่เสร็จขอให้กรรมนั้นเป็นของให้ผลเสร็จสิ้นหรือว่ากรรมใดเป็นของให้ผลมากขอให้กรรมนั้นเป็นของให้ผลน้อยหรือว่ากรรมใดเป็นของให้ผลน้อยขอกรรมนั้นจงเป็นของให้ผลมาก หรือว่ากรรมใดเป็นของให้ผลขอกรรมนั้นจงเป็นของอยากให้ผลหรือว่ากรรมใดเป็นของไม่ให้ผลขอกรรมนั้นจงเป็นของให้ผลด้วยความพยายามหรือความเพียรดังนี้เถิดเมื่อเป็นเช่นนี้ความพยายามของผู้นิกรนผู้มีอายุก็ไร้ผลความเพียรก็ไร้ผลทิ่สุดต่อหลายผู้นิกรมีถ้อยคำและความเห็นอย่างนี้ การกล่าวก่อนและการกล่าวตามสิประการอันชอบด้วยเหตุของผู้นิกรผู้มีถ้อยคำและความเห็นอย่างนี้ย่อมถึงฐานะหน้าตาําหนีพิสูจน์ตรงลายตาหมูสัตย่อมสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งกรรมที่ตนทําไว้ในการก่อนผู้นิครนก็ต้องเป็นผู้ทากรรมชั่วไว้ก่อนแน่เพราะในแบบ น, นี้พวกเขาได้สวยเวทนาอันเป็นทุกข์ กล้าแข็งเจ็บแสบเป็นร้อนเห็นป่านนี้ทมูสัตย่อมสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งอิสวนเนรมิดให้ผู้คนก็ต้องเป็นผู้ที่ถูกอีสวนชั้นเลวเนรมิตมาแน่ประในป่านนี้เขาจึงได้สวยเวทนาอันเป็นทุกข์เจ็บแสบเป็นร้อนเห็นป่านนี้ทมูสัตย่อมสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุที่มีความบังเอิญ พวกนิครุก็ต้องเป็นผู้มีความบังเอิญชั่วเป็นแน่เพราะพวกเขาได้สวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าแข็งเจ็บแสบเป็นร้อนหรือถ้าหมู่สัตว์ย่อมสวยเวทนาที่เป็นสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งการเกิดคืออภิชาติพวกนิครุก็ต้องมีอภิชาติที่เลวเป็นแน่เพราะเขาได้สวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าแข็งเจ็บแสบเป็นร้อนเห็นบ่านนี้ ถ้ามูสัตย่อมสวยเวทนาที่เป็นสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งความพยายามในปัจจุบันผู้นิโครนก็ต้องเป็นผู้มีความพยายามในปัจจุบันที่เหลือเป็นแน่เพราะเขาได้สวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าแข็งจิบสาเปิดร้อนเห็นป่านนี้พิสูจน์ทั้งหลายผู้นิโครนมีถ้อยคำและความเห็นอย่างนี้การกล่าวก่อนและการกล่าวตาม10ประการอันชอบด้วยเหตุผลของผู้นิโครน ผู้มีท้ยคําและความเห็นอย่างนี้ย่อมถึงฐางนะที่น่าตำหนิพิสุทธ์ทลายความพย า, ายามไร้ผลความเพียรไร้ผลอย่างนี้แหละพิสุทธ์ทลายก็อย่างไรความพยายามจึงจะมีผลความเพียรจึงจะมีผลคือเธอในกรณีนี้ไม่เอาทุกข์ทับถมตนเองที่ไม่มีทุกข์ทับถม2 ไม่สลากความสุขที่เกิดโดยธรรม 3. ไม่เป็นผู้หมกมุ่นในความสุขนั้นเธอย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่าถึงเรานี้จะยังมีเหตุเป็นทุกข์เมื่อเริ่มตั้งความเปียนความคลายกำหนัดย่อมมีได้อันหนึ่งถึงเรานี้จะยังมีเหตุแห่งทุกข์เมื่อหวางเฉยบาเพ็ญอุเบกขาอยู่ความคลายกาหนัดก็ย่อมมีได้ เท่านั้นจึงเริ่มตั้งความเพลี่ยนและบำเพ็ญอุเบกขาอยู่ด้วยการทำเช่นนี้ทุกนั้นก็เป็นอันเธอสละได้แล้วอีกประการหนึ่งเต๋อปุนี้จะพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเมื่อเราอยู่ตามสบายอกุศลธรรมยิ่งเจริญกุศลธรรมย่อมเสื่อมแต่เมื่อเราดำรงตนอยู่ด้วยความลำบากกุศลธรรมย่อมเสื่อมกุศลธรรมย่อมยิ่งเจริญ อย่ากระ์นั้นเลยเราพึงดำรงตนอยู่ในความลำบากเดือดเธอนั้นก็ดำรงตนอยู่ในความลำบากเมื่อเธอดำรงตนอยู่ในความลำบากอยู่อคุโสรธรรมก็ย่มเสื่อมไปกุโสรธรรมก็จเจริญยิ่งในสมัยต่อมาเธอก็ไม่ต้องดำรงตนอยู่ในความลำบากอีกเพราะเห็นว่าประโยชน์ที่เธอหวังนั้นสาเร็จแล้วตามที่เธอประสงค์ อย่างนี้แหละเรียกว่าความพยายามมีผลความเพียรมีผลพิษูตั้งหลายลัทธิสมลัทธิเหล่านี้มีอยู่เป็นลัทธิซึ่งแม้บัณฑิตจะพากันไตรตรองจะหยิบขึ้นตรวจสอบจะหยิบขึ้นวิพาคษ์วิจารณ์กันอย่างไรแม้จะบิดพันกันมาอย่างไรก็ชวนให้น้อมไปเพื่อการไม่ประกอบกรรมที่ดีอยู่นั่นเอง ละที่ทั้งสามอย่างคือหนึ่งสมณะและพรรามบางพวกมีถ้อยคำและความเห็นว่าบุคคลใดๆก็ตามได้รับความสุขได้รับความทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขทั้งหมดนั้นเป็นเพราะกรรมที่ทำไว้ในการก่อนและ 2. องสมณะหรือพระรา์บางพวกมีถ้อยคำความเห็นว่าบุรุษบุคคลใดๆก็ตามที่ได้รับสุข และทุกข์หรือความที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขทั้งหมดนั้นเป็นเพราะการบันดาลของเจ้าเป็นนายและ3ผู้ที่มีต้อยคำความเห็นอย่างนี้ว่าบุคคลใดๆก็ตามได้รับความสุขทุกข์หรือไม่ใช่ทุกข์ใช่สุขทั้งหมดนั้นไม่มีอะไรเป็นเตษเป็นปัจจัยเลยในบรรดาลัตีทั้ง3อย่างนี้ผู้ที่มีถ้อยคาความเห็นว่า บุคคลได้รับสุขหรือทุกข์หรือความที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขเพราะการรมที่ทำไว้แต่ปางก่อนอย่างเดียวเราก็สามารถกล่าวกับเขาว่าถ้ากระนั้นคนที่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมแกล้งกล่าวเท็จพูดคำหยาบพูดยุยงให้แตกกันพูดเพอเจอมีใจละโมบเพ่งเลงมีใจพยาบาทมีความเห็นผิดเหล่านี้ นั่นก็ต้องเป็นเพราะกรรมที่ทำไว้ในปางก่อนถ้ามัวแต่ถือเอากรรมที่ทาไว้ในปางก่อนมาเป็นสาระสำคัญดังนี้แล้วคนเหล่านั้นก็ไม่ทำความอยากทำหรือความพยายามทำในข้อที่ว่าสิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้ไม่ควรทำอีกต่อไปเมื่อสิ่งที่ควรทำไม่ถูกกระทำเมื่อสิ่งที่ควรละไม่ถูกละเว้นให้จริงจจังๆกันแล้ว คนพวกที่ไม่มีสติคุ้มกรองตนเหล่านั้นก็ไม่มีอะไรที่จะมาเรียกตนเองว่าเป็นสมณะอย่างชอบธรรมได้ส่วนบุคคลที่คิดว่าสุขทุกข์หรือความที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขนั้นเป็นเพราะอิส่วนนิรมิตให้ก็จะสามารถกล่าวกับเขาว่าการที่เขาฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่ง นั่นก็ต้องเป็นเพราะการดำเินมิตรของอีสวนด้วยเมื่อมัวแต่ถือเอาการดำเินมิตรของอีสวนมาเป็นสาระสาคัญอย่างนี้แล้วคนเหล่านั้นก็ไม่ทำความอยากทาหรือความพยายามในข้อที่ว่าสิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้ไม่ควรทำอีกต่อไปเมื่อสิ่งที่ควรทำไม่ถูกกระทาสิ่งที่ควรเว้นไม่ถูกละเว้นให้จริงจริงจังๆกันแล้ว ผู้คลที่ไม่มีสติคุ้มครองตนเหล่านั้นก็ไม่มีอะไรที่จะมาเรียกตนว่าเป็นสมณะอย่างชอบธรรมได้ส่วนบุคคลที่เห็นว่าสุขและทุกข์หรือความที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขนั้นไม่มีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเลยก็สามารถกล่าวกับเขาได้ว่าถ้ากรณ์นั้นคนที่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการเป็นต้นนั่นก็ต้องไม่มีอะไรเป็นเหตุ เป็นปัจจัยเลยท้ามัวถือเอาแต่ความไม่มีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเลยมาเป็นสาระสําคัญอย่างนี้แล้วคนเหล่านั้นก็ไม่มีความอยากทําไม่มีความพยายามทําในข้อที่ว่าสิ่งนี้ควรทําสิ่งนี้ไม่ควรทําอีกต่อไปเมื่อสิ่งที่ควรทําไม่ได้ถูกกระทําสิ่งที่ควรเว้นไม่ได้ถูกเว้นให้จริงจริงจังกันแล้วพวกคนที่ไม่มีสติคุ้มครองตนเหล่านั้น ก็ไม่มีอะไรที่จะมะเรียกตนเองว่าเป็นสมณะอย่างชอบทำได้ฟังธรรมคำพุท ธ, ธะ